ระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิอชื่อทีฆนิกายเป็นสุตรตันตปิดกพระตรายปิฎกเล่มนี้ยังอยู่ในประเภททีฆานิกายคือหมวดพระสูตรขนาดยาวและปาติกกวักคือวักที่เริ่มต้นด้วยปาติกสูตรในวักนี้มี11อสูตรตามลำดับดังนี้หนึ่งปาติกสูตร ว่าด้วยชีเลือยบุตรแห่งปาติกะช่างทำถาดผู้คุยโอยกตนเสมอด้วยพระพุทธเจ้า 2. อุทุมภริกสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในปริภาชการามซึ่งพระนางอุทุมภริกาสร้างถวายกล่าวถึงการโต้อตอบระหว่างพระพุทธเจ้ากับนิโครธปริภาชกหรือนิโครปริภาชกเรื่องนักบวชส จักรวติสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิและความเสื่อมความเจริญแห่งศีลธรรมและเรื่องพระเมตรายะพุทธเจ้าสอักันยสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เลิศกว่าคนอื่นด้วยความรู้และความประพฤติแสดงถึงเรื่องวันนะเรื่องชั้นแห่งบุคคลสีประเภทรวมทั้งที่มาเดิมของโลกซึ่งเป็นต้นเรื่องของวันณะสีห้า สัมปสาะธนยสูตรว่าด้วยคุณธรรมที่น่าเลื่อมใสกล่าวถึงคำพันนาพระคุณอันน่าเลื่อมใสของพระพุทธเจ้าซึ่งพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค6ปาสาธิกสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่น่าเลื่อมใสกล่าวถึงธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีและที่กล่าวไวด้ดีพร้อมทั้งข้อปฏิบัติของสาวกเจ็ 7. ลักษณะสูตรว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการพร้อมด้วยเหตุผลที่ให้เกิดลักษณะนั้นๆ 8. สิงคาล ก, กาสูตรว่าด้วยสิงคาลกกรมานุษย์ส่วนใหญ่เป็นการสอนธรรมะของผู้ครองเรือนและเรื่องทิศหที่อุปมาด้วยบุคคล6ประเภท9อาตานาติยะสูตรว่าด้วยการรักษา ในอาตานาตานครซึ่งเท้าจ่าตรงมหาราชกราบทูลพระผู้มีพระภาค10สังคีติสูตรว่าด้วยการร้อยกรองหรือสังคยนาคำสอนพระสารีบุตรได้แสดงธรรมเป็นตัวอย่างในการจัดประเภทคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่ซึ่งเป็นแบบอย่างของการสังคยนาในภายหลัง 11. บเอทสุดตรัสูตร ว่าด้วยหมวดธรรมะอันยิ่งขึ้นไปจนถึงสิบเป็นการแสดงธรรมของพระสาวรีบุตรจำแนกธรรมะหมวดหนึ่งหมวดสองจนถึงหมวดสิบซึ่งเป็นตัวอย่างแห่งการร้อยกรองพระธรรมวินัยได้ดีเช่นสังคีติสูตร